บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งพุทธานุสติที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นถึงแม้ว่าจะมีการจำแนกออกไปโดยวิจิตพิสดารก็ตามแต่พระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีอยู่สามประการ คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็เป็นเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายแต่ของพระองค์มีความถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่เท่านั้นเองปัญญาโดยประเภทแล้วท่านจะแนกออกเป็นสองกลุ่มีหญ่คือส่วนที่เรียกว่า ไชชาติกปัญญาได้แก่ปัญญาที่ติดมาแต่กําเนิดซึ่งเป็นผลอันเกิดขึ้นจากการสร้างปัญญาของบุคคลเหล่านั้นในภพชาติต่างๆซึ่งแตกต่างกันปัญญาประเภทที่สองนั้นเรียกว่าโยกะปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบกระทำในชาติปัจจุบันนี้ปัญญาอาจจะเกิดขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งท่านแสดงทางเกิดเอาไว้ในยะหนึ่งว่าเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงคือการที่ตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้สูดดมลิ้มได้ลิ้นและกายได้ถูกต้องประการที่สองนั้นเกิดขึ้นด้วยการน้อมนําเอาประสบการณ์ตรงเหล่านั้นมาพินิษพิจารณาด้วยใจของตนจนเกิดความเข้าใจ ในหลักนั้นๆถูกต้องตามความเป็นจริงในชั้นแห่งปัญญาส่วนในช่วงที่สมนั้นเรียกว่าภาวนามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการลงมือประพฤติกระทำบาเปิตจนประจักษ์ผลและเหตุด้วยใจของตนอย่างแท้จริงในชั้นของการประพฤติปฏิบัติ ท่านก็แสดงชั้นของปัญญาออกเป็นสองชั้นด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าอดียัตถกาม่มีปัญญาคือปัญญาที่พิจารณาดูความเกิดและความดับของสังขารทั้งหลายโดยอาศัยหลักของพระจัยหลักณ์เป็นเครื่องกำหนดพินิษพิจารณาเมื่อบุคคลใช้ปัญญาพิจารณาไปแล้วก็จะเห็นได้ว่า บรรดาสิ่งทั้งหลายในโลกไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามไม่มีสิ่งใดที่ดำรงอยู่เฉยๆโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นท่านจึงจำแนกประเภทของสังขตธรรมคือธรรมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งไว้เป็นสามลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือปรากฏความเกิดขึ้น แห่งเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นเมื่อเหตุปัจจัยมาประกอบพร้อมสมบูรณ์ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นตามสัด ส, ส่วนแห่งตนและเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความเสื่อมปรากฏอยู่ตลอดเวลาจนถึงจุดหนึ่งก็ต้องแตกดับไปในขณะที่ดำรงอยู่ไม่ว่าในจุดใดก็ตามจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบังเกิดขึ้น แก่สิ่งดอกนั้นเมื่อบุคคลดูความเกิดความดับแห่งสิ่งทั้งหลายโดยนิย่านี้แล้วซึ่งบุคคลอาจจะเรียนจากภายนอกมาก่อนหรืออาจจะเรียนจากภายในคือตัวเองมาก่อนก็ตามในที่สุดก็จะก่อให้เกิดปัญญาประเภทที่เรียกว่านิบเบติกะปัญญาคือปัญญาชนิดที่จำแรกแยกสังขารทั้งหลาย ออกเป็นส่วนๆนจนมองเห็นในจุดย้อยของสังขารเหล่านั้นที่เรียกว่าปัจจัยประกอบต่างๆฉันแยกกายออกเป็นธาตุสีบ้างธาตุโถบ้างแยกออกเป็นอาการ32เป็นต้นบ้างเมื่อแยกออกไปแล้วก็สามารถถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดและแม้ความโกรธความหลง ที่เคยมีอยู่ในกายตนและกายบุคคลอื่นออกไปได้ปัญญาชั้นนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างสูงเกิดขึ้นภายในจิตชนิดที่ท่านเรียกว่าส ม, มัปปัญญาคือมีปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นความเห็นชอบในจุดที่มุ่งหมายจริงๆนั้นคือเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็สามารถละ สามารถบันเทาสามารถดับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากอำนาจกิเลสในสิ่งต่างๆลงไปได้โดยในยะหนึ่งนั้นท่านได้แสดงว่าได้แก่การสามารถถ่ายถอนความรู้สึกยึดจิตว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาในสิ่งต่างๆลงไปได้สามารถถ่ายถอนความยึดจิตว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ ในภาวะในฐานะทั้งหลายลงไปได้และสามารถถ่ายถอนความยึดติดว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราลงไปได้ซึ่งกิเลสทั้งสามประเภทนี้ท่านเรียกว่ากาหะคือสิ่งที่ยึดถือสิ่งที่ผูกมัดจิตใจของบุคคลเอาไว้ความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนก็จะเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเรา ความรู้สึกว่าเป็นเราและความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อใดบุคคลสามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณามองโลกและมองสังขารทั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริงได้ความยึดติดในรูปแบบเหล่านั้นก็จะออกไปจากจิตต่อแต่นั้นแม้ว่าจะดำรงอยู่ในโลกก็จะไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่มีอาการฟูขึ้นและพุบลงแข่งจิตสำหรับบุคคลเหล่านั้นปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มาเข้าถึงในจุดนี้ถึงแม้ว่าจะมีขั้นตอนสลับซับซ้อนอย่างไรก็ตามแต่ตัวผลที่แท้จริงแล้วตัวผลและเหตุที่แท้จริงนั้นก็คือการสัสรูอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงของพระผู้มีพระภาคเจ้า อันเป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้สมบูรณ์ตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งได้แก่ศีลสมาธิปัญญาอันเด็กด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นตัวข้อปฏิบัตินั้นเป็นสาคลคือใครจะปฏิบัติเมื่อไรที่ไหนและโดยใครก็ตามผลจะเกิดขึ้นตามสัดส่วนแห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้น แนั้นก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อท่านสุภัทปริภาชกกราบทูลถามถึงพระอริยบุคคลในาศาสนาอื่นว่ามีอยู่หรือไม่พระพุทธมีพระภาคเจ้าได้ทรงชี้แจงให้เห็นว่าความเป็นพระอริยบุคคลนั้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์8ประการไม่ได้จากัดด้วยกาลและเทศยุคสมัยแต่ประการใด และในทรงสรุปในตอนสุดท้ายว่ารูก่อนสุภะทะสาบใดที่ยังมีการศึกษาในอริมัชมีองค์8ปประการอยู่และการปฏิบัติชอบตามอริมัชมีองค์8ประการยังมีอยู่สาบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระริยะบุคคลในระดับทั้ง4คือพระโสดาบันถึงพระอรหันต์หลักของอริยสัจสี่จึงกลายเป็นหลัก ที่ครอบคลุมสิ่งต่างๆในโลกนี้ไว้ทั้งหมดคือส่วนใดที่เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของมันเองคือไม่เป็นกุศลและอกุศลด้วยตัวของมันเองนั้นสิ่งนั้นก็เป็นเรื่องของทุกข์สัต์ส่วนใดที่เป็นกิเลสเป็นเหตุสร้างความเล่าร้อนให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของคนและสัตว์ทั้งหลายสิ่งนั้นก็อยู่ในกลุ่มของสมุทัยสัตว์ ผลอันใดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ก็อยู่ในกลุ่มของนิโรธสัตว์และหลักการประพฤติปฏิบัติเพื่อกระจัดกิเลสให้หมดสิ้นจากความทุกข์ไปเข้าถึงความสงบระงับอย่างแท้จริงก็อยู่ในกลุ่มของมรรคสัตว์คืออะไรมัคมีองค์8ประกาศนั่นเองและโดยวิธีหนึ่งนั้น ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมในทางศ า, ศาสนาจะเห็นได้ว่าสูตรของอริยสัจว์4นั้นเป็นสูตรของการแก้ปัญหาในระดับต่างๆซึ่งใครจะนำไปใช้แก้ปัญหาในเรื่องอะไรก็ตามสามารถที่จะแก้ปัญหาโดยผ่านขั้นตอนของอริยสัจได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์คือทุกสัจนั้นได้แก่การตั้งปัญหาว่าอะไรซึ่งไม่ว่า บุคคลจะทำอะไรก็ตามจะต้องหาคำตอบประเด็นแรกให้ได้ซสีก่อนว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะถ้าไม่รู้ว่าอะไรแล้วจะทำอย่างอื่นต่อไปไม่ได้ส่วนสมุทัยสัตร์นั้นก็คือมูลเหตุเมื่อรู้จักว่าอะไรแล้วก็ตั้งปัญหาถามขึ้นมาใหม่ว่ามาจากไหนก็จะสืบสาวค้นหาไปถึงสาเหตุแห่งเรื่องเหล่านั้นแห่งปัญหาเหล่านั้น ตัวอะไรนั้นเป็นแต่เพียงผลเท่านั้นเองเช่นเดียวกับอาการของโรคตัวมาจากไหนนั้นคือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเหล่านั้นเมื่อบุคคลศึกษาค้นคว้าไปจนถึงสาเหตุอันเปรียบเหมือนสมุดฐานแห่งโรคแล้วก็มาถึงขั้นของนิโรธสัตว์คือเป้าหมายได้แก่เพื่ออะไรซึ่งจะเห็นได้ว่าคำตอบจะออกมาในแนวเดียวกันคือเพื่อดับ ตัวปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปตัวมักกษสัตย์ก็คือตัวที่ว่าโดยวิธีอย่างไรอันเป็นการแสดงทั้งหลักการและวิธีการซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องลงมือประพฤติกระทำเพื่อขจัดตัวสมุทฐานแห่งปัญหาที่บังเกิดขึ้นเมื่อตัวตัวสมุทฐานแห่งปัญหาถูกขจัดไปปัญหาก็ชื่อว่าสงบระงับดับไปบุคคลผู้นั้นก็จะอยู่อย่าง ไม่มีปัญหาสูตรเหล่านี้จึงสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของบุคคลได้เป็นอย่างดีการที่บุคคลแก้ปัญหาซึ่งบังเกิดขึ้นในชีวิตของตนและออกมาในรูปของการสร้างปัญหาก็ดีหรือไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปสิ้นไปได้ก็ดีดังส่วนมากแล้วจะไปแก้ที่ตัวทุกขสัตว์แทนที่จะแก้ที่ตัวสมุทัยสัตว์ เมื่อไปแก้ที่ทุกข์สัตย์ก็กลายเป็นการสร้างปัญหาให้เพิ่มขึ้นเช่นว่ามีปัญหาเดือดร้อนด้วยการทะเลาะวิวาทกันเป็นต้นแทนที่จะแก้ที่จิตปรับปรุงที่ความประพฤติของตนก็ไปด่าไปว่าไปด่าต่อประหารต่อบบุคคลอื่นเป็นต้นซึ่งแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาก็กลับเป็นการสร้างปัญหาให้ทับทวียิ่งขึ้นโลกจึงคงวุ่นวาย สับสนอย่างที่เห็นกันอยู่แต่ถ้าหากว่าในทานองตรงกันข้ามบุคคลแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยดำเนินไปตามขั้นตอนแห่งอริียสัตย์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วปัญหาในแต่ละจุดไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ตามเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ปัจเจกชนสังคมและแม้แต่โลกทั้งหมดก็ตาม่อสามารถที่จะบรรเทาให้เบาบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปได้ หลักการของอริยสัจทั้งสี่ประการนี้ในปัจจุบันได้รับการสนใจศึกษาและเพียรพยายามที่จะนำมาใช้ในการศึกษาและการแก้ปัญหาต่างๆที่บังเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากว่าทำได้แล้วผลก็จะปรากฏแก่บุคคลผู้นั้นเช่นเดียวกับที่เคยปรากฏแก่ท่านทั้งหลายมาแล้วในอดีตพระคุณข้อพระปัญญาที่คุณนี้เอง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสร้างจนถึงจุดที่เรียกว่าสัสรูพระอนุตตรสมาสัมโพธิญาณแล้วพระไทยของพระองค์ก็เข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง <c oughs> คำว่าความบริสุทธิ์นั้นเป็นความบริสุทธิ์ที่พระไทยส่วนพระวรากายของพระพุทธเจ้าก็ยังคงเป็นเช่นเดียวกับสังขารทั้งหลายคือมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไป ในขณะที่ดำรงอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเมื่อแยกส่วนกายกระส่วนพระไทยออกไปแล้วพระกายก็คงเป็นอาสวะอยู่เหมือนเดิมคือตกอยู่ในสภาวธรรมทั้งหลายเช่นเดียวกับธรรมชาติทั้งหลายเหล่าอื่นแต่พระไทยของพระพุทธเจ้านั้นหมดสิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งมวลเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ พระไทยในลักษณะนี้ถือว่าเป็นจุดสุดยอดแห่งการประพฤติปฏิบัติแต่ในชั้นของการน้อมนามาประพฤติปฏิบัติโดยเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบุคคลจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สร้างให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นภายในจิตนั้นมีปัจจัยหลักอยู่สองประการด้วยกันปัจจัยแรกก็คือตัวอาสวะกิเลส ที่หมักหมมทับถมอยู่ภายในจิตสืบคบสืบชาติป่าเป็นอนเนกสิ่งเหล่านั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับวิชาความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆที่บุคคลผ่านมาในชีวิตไม่ใช่เป็นการผ่านแล้วเลยไปภาพเหล่านั้นอาจแตกดับไปแล้วในอดีตตามธรรมดาของสังขารแต่ในขณะเดียวกันความจำได้ ซึ่งรูปเสียงเป็นต้นเห่านั้นยังอยู่ภายในจิตของบุคคลถ้าหากว่าสิ่งที่บุคคลจําไว้มีความสับสนหรือจําเรื่องที่ไม่ไดีเอาไว้สุขภาพจิตของบุคคลก็จะเสียไปในส่วนนี้มีการทับถมอยู่ภายในจิตเป็นอันมากแต่ในขณะเดียวกันการดํารงชีวิตในปัจจุบันของบุคคลผู้ขาดความสํารวมระหวัง ตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็ปลอยให้อารมณ์เป็นอันมากที่เพิ่มเชื้อกิเลสให้สูงขึ้นภายในจิตใจผ่านเข้าสู่จิตใจของตนปริมาณของกิเลสก็สูงขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้นั้นในเรื่องนี้ถ้าลองวิเคราะห์ตรวจสอบดูจิตของตนแล้วก็จะพบว่า กิเลสบางอย่างนั้นเป็นกิเลสใหม่ๆคือได้เชื้อขึ้นมาใหม่ๆเช่นว่าความปรารถนาวัตถุที่เรียกว่ารักใคร่ปราดหน้าปรารถนาหน้าพอใจนั้นเมื่อยามที่วัตถุเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นและใจของบุคคลยังไม่ยอมรับคุณค่าของวัตถุเหล่านั้นตัณหาในส่วนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลยกตัวอย่างเช่นว่า เมื่อก่อนไม่เคยมีโทรทัศน์ตัญหาในโทรทัศน์ก็ไม่มีเมื่อมีโทรทัศน์มีการบรรยายเรื่องโทรทัศน์ว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ใจคนไปยอมรับคุณค่าของเทรทัศน์ก็เกิดตัญหาในโทรทัศน์เมื่อเกิดตัญหาในโทรทัศน์แล้วก็มีการไขว่คว้าอยากได้ปรารถนาโทรทัศน์จนถึงมายึดครองต่อมาก็เปลี่ยนออกมาเป็นโทรทัศน์สี มีการกล่าวขวัญยกย่องสันเสริญโทรทัศน์สีกันอีกใจยอมรับอีกตันหาในโทรทัศน์สีก็เกิดขึ้นและต่อไปอาจจะมีอย่างอื่นขึ้นมาอีกพอใจเรายอมรับเข้าตันหาในส่วนนั้นก็เกิดขึ้นหรือแม้ตัวมานะคือความถือตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อยามที่ไม่เป็นมานะส่วนนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแต่พอได้เป็นขึ้นมานะก็บังเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันอาศัยมานะนั่นเอง ก็ไขว้คว้าฐานะที่สูงขึ้นไปยกตัวอย่างในการเป็นข้าราชการหรือการเป็นพระเราก็ทาในสมัยที่ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในสมณศักดิ์หรือในตำแหน่งงานทางราชการมานะในส่วนนี้ก็ไม่เกิดแต่พอได้เป็นพระครูขึ้นเป็นเจ้าคุณขึ้นหรือเป็นข้าราชการชันนันชันนีขึ้นตัวมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เกิดและในขณะเดียวกันมานะที่บังเกิดขึ้นนั้น ก็มีส่วนเสริมสร้างตันหาคือความอยากที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเช่นว่าเป็นพระครูแล้วอยากเป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณแล้วก็อยากเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นไปโดยลำดับแม้จะเลื่อนขึ้นไปอยู่จุดสุดยอดแล้วก็ยังอยากสายไปรอบทิศทางตราบใดที่จิตใจของบุคคลไม่สามารถสงบตันหามณะลงไปได้ในส่วนการดารงชีวิตของคนทั่วไปก็มีลักษณะอย่างนั้น กิเลสเหล่านี้ทำไมจึงเกิดขึ้นได้ที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีเชื้อเดิมอยู่แล้วภายในจิตถ้าหากว่าไม่มีเชื้อเดิมอยู่ภายในจิตกิเลสเหล่านี้หรืออารมณ์เหล่านี้จะไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้บังเกิดขึ้นแกจิตใจของคนได้ข้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างแมลงวันที่หยอดไข่ในสิ่งต่างๆไม่ใช่เป็นข้อยุติว่า ไข่ที่มางวันหยอดไปทุกครั้งจะต้องกลายมาเป็นนอนขึ้นอยู่กับสิ่งที่มางวันหยอดไข่ถ้าหากว่าหยอดลงไปในหินในไม้ไม้และหินไม่มีเชื้อเน่าไม่มีเชื้อนอนไข่ามางวันที่หยอดลงไปเท่าไหร่ก็ต้องตายหมดแต่ในทํานองตรงกันข้ามถ้าหากว่าไปหยอดในเนื้อในปลาสิ่งเหล่านั้นมีเชื้อเน่ามีเชื้อนอนอยู่ไข่ที่หยอดลงไปก็ได้กลายเป็นเชื้อบวกผสมประสากัน แล้วลูกรามกลายเป็นตัวหนอนเพิ่มขึ้นเป็นนั้นมากจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันปัจจัยสําคัญจึงอยู่ที่พื้นเดิมของจิตคือตัวเชื้อที่มีอยู่ภายในจิตปัญหาว่ามีเชื้ออะไรอยู่หรือไม่ถ้าหากว่าไม่มีเชื้อกิเลสในส่วนนั้นๆอยู่แล้วอารมณ์ข้างนอกนั้นเป็นอัพปยากฤตคือเป็นตัวกลางๆแต่นั้นเองไม่สามารถจะทําอะไรได้แต่ถ้าหากว่ามีเชื้อดังกล่าวอยู่ภายในจิตแล้ว อารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายนอกพร้อมที่จะก่อให้เกิดความกำหนัดขกดเคืองลุ่มหลงมัวเมาขึ้นภายในจิตใ จ, จของบุคคลดอกนั้นพระทัยของพระพุทมีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นแตกต่างจากสามั ญ, ญชนในจุดนี้คือในจุดของพื้นจิตพื้นจิตของพระองค์มีความบริสุทธิ์ไม่มีเชือ้อซึ่งเปรียบเหมือนหินหรือเหมือนไม้นะโดยนิยะดังที่กล่าวมาแล้ว อารมณ์ภายนอกซึ่งเปรียบเหมือนแมลงวันยอดไข่ยอดเท่าไรก็ไม่กลายเป็นหนอนขึ้นมาเพราะไม่มีเชื้อที่จะให้บอกอารมณ์เหล่านั้นจึงเป็นเพียงสักว่าอารมณ์เท่านั้นความบริสุทธิ์ในลักษณะนี้ในระดับที่ลดหลั่นลงมาบุคคลสามารถที่จะสร้างให้บังเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการสองชั้นด้วยกันชั้นแรกคือพยายามบรรเทาอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิต ด้วยการข่มความรู้สึกตามอํานาจของกิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในจิตให้ระ ง, งับให้บรรเทาให้เบ า, บางลงไปหรือการอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นแม้จะเกิดฟูขึ้นมาภายในจิตก็คุมไว้อย่าให้ออกมาทางกายกับทางาจาในชั้นที่สองคือระมัดระวังเวลาประสบกับอารมณ์ภายนอกระวังจิตไว้สองฝ่ายคือไม่ยินดีกับยินร้าย ถ้าหากว่าเกิดความยินดีก็เพิ่มกิเลสสายโลภะให้สูงขึ้นเกิดความยินร้ายก็เพิ่มกิเลสสายโทสะให้สูงขึ้นส่วนโมหะนั้นเมื่อเพิ่มโลภะโทสะทุกอย่างโมหะก็ได้เชือ้อดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงจึงมักจะแสดงเพียงสองแนวว่าระวังจิตไม่ให้เกิดความยินดีและความยินร้ายเมื่อยามประสบกับอารมณ์ซึ่งการปฏิบัติโดยวิธีนี้ ผุ้คนอาจจะอาศัยธรรมะเพียงสามอย่างซึ่งทรงแสดงไว้ในต้นของมหาสติปัฏฐานในสูตรได้แก่ความเพียรพยายามความมีสติและมีสัมปชัญญะซึ่งถ้าหากว่าธรรมะทั้งสามประการนี้มีสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะปฏิบัติขัดเกลาทํทำลายเชือ้อกิเลสภายในจิตซึ่งมีชื่อต่างๆให้หมดสิ้นไปได้และผลจากการปฏิบัติให้สมบูรณ์ ในสติปัฏฐานทั้งสี่ประการนั้นพระพุทมีพระภักเจ้าจึงทรงแสดงรับรองผลเอาไว้ว่าผู้ที่มีการปฏิบัติตามหลักการที่ทรงวางเอาไว้จะได้สัมผัสอริยคุณภายในเจ็ดปีเจ็ดเดือนแต่จะไม่เกินภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่จะไม่เกิ น, น, นเนจ็ดชาติการที่ทรงแสดงรับรองผลโดยวิธีนี้ทรงยืนยันเหตุไปด้วยคือจะต้องมีการกระทําที่สืบต่อกันไป แล้วผลเช่นนั้นก็จะบังเกิดขึ้นแต่อย่งไรก็ตามชั้นของการดารงชีวิตนั้นแม้จะไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เช่นที่พระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายท่านเข้าถึงการที่บุคคลพยายามระวังใจของตัวเมื่ออารมณ์ภายในบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้ขันติบ้างธรรมะบ้างตามควรแก่กรณีและมีสติสัมปชัญญะเมื่อยามประสบอารมณ์ภายนอก ก็จะช่วยให้สามารถสัมผัสความสงบความเยือกเย็นได้ตามสมควรแก่การประฏิบัติส่วนพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผลที่ประจักษ์แก่ใจของผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วกรุณาเป็นธรรมะที่บุคคลทั่วไปก็มีเชื้อกันอยู่พอสมควรในชั้นของการดารงชีวิตถ้าหากว่า พยายามเพิ่มความรู้สึกส่วนนี้ให้สูงขึ้นด้วยการบันเทาความรู้สึกเบียดเบียนที่เรียกว่าวิหิงสาซึ่งมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอภายในจิตของบุคคลให้เบาบางลงไปกรุณาจิตที่มีอยู่แล้วก็จะมีปริมาณสูงขึ้นและเปล่งประกายขึ้นมาได้ความกรุณานั้นได้แก่การสร้างความรู้สึกที่มองเห็นคนอื่นสัตว์อื่น กำลังประสบความทุกข์ความเดือดร้อนตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงกรุณาออกไปซึ่งกรุณาได้แก่ความสงสารที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั้นอาจจะทําทางกายอาจจะทําทางวาจาหรือแม้แต่สร้างความรู้สึกปรารถนาที่จะเห็นบุคคลและสัตว์เหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็สามารถบรรเทาวิหิงสาคือความรู้สึกเบียดเบียนให้เบาบางลงไปแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติจะต้องระมัดระวังความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าโศกะคือมีความเศร้าโศกเสียใจเมื่อเห็นสัตว์เหล่านั้นประสบความทุกข์หรือตอนไม่สามารถจะช่วยให้สัตว์เหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะการปฏิบัติในลักษณะนี้ชื่อหักมุมลงไป เป็นการสร้างความทุกข์ให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของตนจึงไม่ใช่เป็นผลจากการปฏิบัติธรรมพระคุณของพระพุะาคเจ้าทั้งสามประการนี้โดยเชื่อแล้วสัตว์โลกทั้งมวลมีขวดมีเชื้อคือปัญญามีเชื้อคือความบริสุทธิ์และมีเชื้อกรุณาอยู่กันพอสมควรแก่ฐานะของตนปัญหาสาคัญจึงอยู่ที่ว่าในชีวิตประจาวันของบุคคลนั้น ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มเชื้อปัญญาเชื้อของความบริสุทธิ์และเชื้อของความกรุณาให้สูงขึ้นโดยลาดับและเมื่อเชื้อของธรรมะอันเป็นคุณธรรมทั้งสามประการนี้มีปริมาณสูงขึ้นแล้วผลจากการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็จะมากขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้นั้นปัญญาความบริสุทธิ์และความกรุณานี้ก็จะทาหน้าที่ ทำลายบรรดาสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นเครื่องสมองจิตให้เบาบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเดินมาในแต่ละจุดนั้นผู้ปฏิบัติได้ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้าด้วยใจและได้สัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าด้วยใจของตนซึ่งเป็นการถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อแต่นี้ไป ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป